เดี๋ยวอาจจะอู้กันก่อนสักหน่อยกันนะครับผมอาอุบิลลาฮิมินอชชัยตานอรอติมบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim. อินัลฮะมดัลลาฮินะฮฺมดุหฺวะสซันฺหฺวะนัสซาุีวะนุบิลลาฮิมิชันุสนวะมิซยติอมาินมยดฮิลลาฟะลามุดิลวะมยุดิละลาฮาดีลามบสลามุลัยกุมวะรหมตุลลวะบรกตุมีนี่ชุดยังครับผม ถ้าเกิดว่าจะได้ใช er okay. okay. ้โอเคก็กระดื hmm. okay. mm ่น hmm. ก็ขอแจ้งข่าวดีชุดนีはは้ว่างครับชุดนี้ว่างขอเนื้อนะครับผมขอแจ้งข่าวดีคือวันนี้นะครับอหลานผมอยู่เรามีคนอ่านกู่หลานเพอะๆให้ฟังนะครับผมต้องขอบคุณอะไรมากนะครับะเจ้าครับพี่น้องที่รักนะครับมีใครเคยเป็นมั่งอันนี้คือผมเคยเป็น มีใครเคยไหมครับที่ว่าเราเคยคิดเราเคยเหนียบเราเคยตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดมีอะไรสักอย่างเหตุการณ์สักอย่างมันเกิดขึ้นกับเราสิ่งดีๆสักอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราโอกาสสักอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราถ้าเอาลราให้มันเกิดขึ้นกับเราเราจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ให้ได้เคยไหมครับอย่างบางท่านมีไหมใครที่บอกว่าถ้าเกิดฉันได้ไปทาอุรอนนะทาอุรอนเสร็จฉันจะกลับมาจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ หรือถ้าใช้ไปทำฮั์ฉันจะดีกว่านี้หรือฉันอะไรก็ตามฉันจะดีกว่านี้ส่วนใหญ่เป็นยังไงกันบ้างครับเวลาเราไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราเราก็คิดแต่เสียดายถ้าเกิดขึ้นนะฉันก็คงจะดีกว่านี้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าถาแต่แต่พอเราให้มันเกิดขึ้ น, นครับอะไรท่านเป็นเหมือนผมเลยผมกามีผมเป็นคนเดียวนะผมกล่าวว่าจะมานั่งฟังแล้วทุกคนบอกว่าโอ้ครูไม่ใช่ฉันหรอก พอฉันคิดพอมันเกิดขึ้นปุ๊บฉันก็ดีขึ้นไปเลยไม่ใช่แะครับเหมือนกันมนุษย์เราเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเป็นแบบนี้เราพลาดมาครั้งแล้วครั้งเล่ากับการที่เรามองข้ามปัจจุบันที่ควรจะเป็นเราไปคาดหวังกับอนาคตเราไปคาดหวังกับความเมตตาของเราซึ่งมีมากมายอยู่แล้วแต่เราลืมไปว่าถ้าปัจจุบันเรายังทาไม่ได้อย่าไปคาดหวังว่าอนาคตเราจะทาได้ เหมือนกับคนบางคนที่ว่าตอนนอนนะครับไม่ได้ละหมาดอีชาขี้เกียจขี้เกียจนอนละหมาดอีชาเออเดี๋ยวฉันตื่นมาฉันค่อยละหมาดสุโบเป็นไปได้ไหมครับ <laughs> คือเหมือนกับว่าฉันค่อยตาบัสตังสุโบขนาดยังไม่ได้หลับยังขี้เกียจที่จะละหมาดอีชาแล้วคิดว่าหลับไปแล้วได้ยินเสียงอาจารย์ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกมีพ่อมีแม่มาปลุกคิดว่าเขาจะรูปละหมาดสุโบไหมยาก นี่คือธรรมชาติของมนุษย์และนี่คือเนื้อหาสาระที่พูดพวกเราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือสุราตุลบายินะสุราที่98ซึ่งเป็นสุราที่ว่ามีความหมายที่ยิ่งใหญ่มีเนื้อหาสาระประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะสรุปให้พวกเราฟังตอนนี้ก่อนเลย3หัวข้อด้วยกันพูดคุยกันก่อนใน3หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในสุราตุลบายีนะประการแรกเราจะได้รู้ถึงว่าธรรมชาติของมนุษย์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาแต่ผูกกับอนาคต ต่อให้มันเกิดขึ้นเราจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงดีขึ้นได้ผูพุทธาคือท่านรบีบอกไงครับคนที่วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานท่านรบีไม่ได้บอกพุทธาคือคนที่พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้แต่บอกว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานก็คือเรามองเวลาปัจจุบันอย่าไปมองโอกาสที่มันไม่มีมันเป็นการหลอกตัวเองสาระที่สองครับที่เราจะพูดคุยกันในซุรั่งอัลไบย์นะครับเราจะพูดคุยกันถึงข้อเท็จจริงของศาสนาอิสลามทั้งหมดเลยในภาพรวม คือถ้าพอเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้ว่าถึงเวลาเราจะไปพูดกับบรรดาคนต่างศาสนกที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยแล้วบอกเลยว่าในสุราบะยีนะ่ะเนี่ยผู้ร้อยได้เรียกสุร้อนนี้ว่าอันบะยีนะ่ะซึ่งแปลว่าสุรอ้อนแห่งความชัดแจ้งความหมายชัดแจ้งถ้าอยากรู้จักอิสลามสุราบะยีนะ่ะแน่นอนครับมีความหมายในด้านที่อาจจะทําให้บางท่านรู้สึกไม่ดีแต่ความหมายในด้านที่ทําให้รู้สึกดีนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นครับเปรี๊ยวคุยกันอันแรกนะครับข้อที่จริงของมนุษย์ ที่ผูกฝังกับเมื่อไรก็ตามที่ผูกปมกับอนาคตเราจะไม่สามารถดีขึ้นได้อันที่2ก็คือข้อแท้จริงของอิสลามซึ่งเราจะพูดคุยกันในส่วนนี้แล้วก็อันที่3ก็คือความยิ่งใหญ่ของความเมตตาของพระองค์แล้วก็ความต่ําต้อยของพวกเราทุกคนในฐานะบ่าวของพระองค์ครับก่อนที่จะเริ่มกันเดี๋ยวเราอ่านแล้วรอานตามคาบิดน้อยก่อนนะครับเรียกคาบิดน้อยในหนังสือเป็นหนูแล้วอาจารย์มือเลครับขสัสมานะครับ พร้อมนะครับจุด้อส่วนใหญ่เทากันได้นะครับหรือว่าอย่างตาอนน้วานตมนอาเป็นทีลยาน้ามถ้าลายยาไปก็ช่ยหายดชายอปรริฐอาลย ب سم الله ا ل ر ح م الرحيم บิสม ا ل ر ح م الرحيم แล يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والشركين مفكين حتى تأتيهم ا ل ب ي ن รัส ل ลุม ل า ه อัลลอฮฺเยต์ลูสุ ي ه ฟัมมุตาฮะร์ะฟี วَ م มาทَ่ฝรั่งที่นั่งอุทُุขิตาบั่นลามิ่งَัดม้าจَตทุมَุเบย์นาว่ามาทีُ่รั ب งทีَนั่งอุทَุขิตาบั่นลาม จะ عبد الله مخلصين له الدين حنا ويقيم الصلاة ويؤت ا ل ز ك ا وذالك دين القيمة وذالك دين القيمة <ت ص في ق> إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فينا ر ج ه َ النم خالدين فيها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 إ ِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ج ز ا ُ ه م عند ربهم ِ جنات ُ عدن َ تجري من تحتها الأنهار فيها จริญใน ل ่ำต ه ำของน้ำที่ ر ض ล الله ع ن อ م و ه ล ذلك لمن خشي ربه فتح الله عليكم و ج ز ا ك م الله خير الجزاء ونفع ا بنا منكم والمسلمين خير ครับในสุรบายนะค่อนข้างจะยาวนะครับผมสุรบายนะเป็นหนึ่งในสุรจำนวนน้อยในสุรในขีวยุสอัลมาที่ว่าเป็นสุรมะดานี บาลา น, นีก็คือเป็นสุรัตที่ว่าพระองค์ลอต้นประทานมาหลังจากที่ท่านอับดุลลอฮ์มัสลลอยซ์ลำได้ทาการอดพยพไปแล้วซึ่งได้ประทานมาหลังจากสุรัที่อยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งสุรอยู่ก่อนหนนี้คือสุรัตอะไรครับสุรัที่เกจดอัลกัอินนาอนซัลนาฮุฟีไลลัติลกัตก็คือที่มาที่ไปของการประทานสุรันี้ ah al ว่ลอุต้าอลอาลัมพระองค์ลอต้นที่รู้ดียิ่งก็คือว่ากันว่า เมื่อพื่อเราได้ประทานองค์การก่อนหน้านี้ที่ว่าพวกเรามักจะได้ฟังกันเป็นประจำในช่วงเดือนรอมฎอนที่พูดถึงคือเลยเดยตุนกัสเพื่อเราได้บอกให้เรารู้ว่าพระงได้ประทานกุราน ป, ประทานอิสลามมาในคือเลยเดยตุนกอสก็มีมุสลินบางส่วนครับถามประมาณถามหาเรื่องคือไม่ได้ต้องการคําตอบถามว่าแล้วจะประทานมาทําไมคือประมาณว่าอยู่กันก็ดีอยู่แล้วพอประทานกุรานมาปุ๊บเกิดความแตกแยกเลย ต่อแรกยิวก็อยู่ส่วนยิวคริสเตียนก็อยู่ส่วนคริสเตียนยุคใจนิย่ชาวกรีก็อยู่แบบชาวกเรีที่เราพูดคุยปกันว่าอยู่กันไปอย่างนั้นแต่พออิสลามมาปุ๊บเกิดอะไรครับเขามองว่ามันเกิดความแตกแยกเขาก็เลยว่าแล้วจะประทานมาทําไมคือถ้าคนที่เอาล็อปิดใจเขาก็จะมองไม่เห็นเขาจะไม่เข้าใจว่าการที่มีความจริง ปรากฏขึ้นมาแทมกลางสังคมที่ชั่วร้ายเวลวร้ายนะ่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลแค่ไหนเขาไม่ได้มองตรงนั้นเขามองเพียงแต่ว่าความเคยชินว่าก็อยู่มาแบบนี้ก็ดีแล้วอยู่มาแบบเราอยากฆ่าใครแล้วก็ฆ่าผู้หญิงเป็นเพียงเครื่องไม้เครื่องมือของเราเราอยากจะทําอะไรก็ตามตามที่เราประสงค์เราก็อยากจะทํากับนางก็นาวก็ทําไปหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นความเคยชินแล้วไม่อยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นทุกยุคสมัยใช่ไหมครับ ทุกยุคสมัยปัจจุบันก็กําลังมีกระแสคนที่ว่าพยายามจะปลูกความเกลียดชังให้คนนั้นเกลียดชังอิสลามแล้วเขาโยนคําใส่ร้ายเรามาว่ามุสลิมอยู่ที่ไหนเกิดความแตกแยกที่นั่นเพราะไม่เข้าใจอินชาอัลลอฮ์วันนี้ถ้าเกิดเราได้พูดคุยกันทําความก้าวใจในสุราล์นี้อย่างน้อยที่สุดกับตัวเราเรามีคําตอบให้ตัวเราเองแล้วกับคนใกล้ตัวเราหรือถ้าเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนอื่นที่เขาพร้อมใจรับฟังเหตุผลมันน่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอมันน่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพออินชาอัลลอฮ์ครับผม สุรานี้ครับท่านอบับดุลเลาะห์สลามได้เรียกว่าเป็นในสายงานหนึ่งนะครับในสายงานของท่านอันสบินมาลิกท่านอบับดุลเลาะห์สลามได้ไปหาท่านอูบัยบินกะใครรู้บ้างท่านอูบัยบินกะเป็นใครเป็นผู้รอบรู้ชาวคัมภีร์ก่อนที่จะเป็นมุสลิมแล้วก็เป็นสหาบยที่ว่าเป็นผู้รอบรู้เชี่ยวชาญในเรื่องศาสต ร, ร์ของอิสลามคือเป็นปราฏิระดับสูงของมุสลิม คือก่อนเขารับอิสลามก็เป็นป่าดระดับสูงพอเขารับอิสลามก็เป็นป่าระดับสูงท่านอบีไปหาท่านอูบัยบินกาทำไมครับไปหาแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์ได้สั่งให้ชั้นเนี่ยมาอ่านซูร้อนี้ให้คุณฟังใครสั่งครับพวกอัลลอฮ์บอกท่านอับดุลเบบีว่าสลาของอะไรสลมให้มาอ่านซูร้อนี้ให้ท่านฟังโดยเฉพาะความหมายครอบคลุมกับทุกคนแต่ว่าเป็นความหมายที่ว่าเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านอูบัยบินกาได้ฟังแล้วท่านก็ เหมือนกับว่าเป็นกําลังใจที่ว่าเป็นสิ่งที่หัวใจวิญญาณของท่านสะแสวงหามาตลอดแล้วยิ่งพวเราเป็นผู้ที่บอกให้มาอ่านให้ฟังเองอ إ ي م านก็ยิ่งเพิ่มความศรัทธาไปมากขึ้นสุรานี้พูดถึงอะไรบ้างครับเรามาดูความหมายคร่าวๆ ค, คงจะไม่ได้ดูเป็นศัพเป็นศัพ์เป็นศั พ, เศพ์เพราะว่าเวลาและจะไม่ทันเพราะสุรานี้ค่อนข้างจะยาวมีทั้งหมด8อายะความหมายของสุรานี้จะแบ่งได้เป็นสองประเด็นหลักๆแบ่งออกเป็นสองส่วนแปดดอายะเนี่ยนะครับจะแบ่งความหมายเป็น 2อประเด็นหลักๆมาดูข้อหมายกันครับอยายะที่หนึ่งครับผูว้ว่าสุบฮานตาผู้ทรงสงูสงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้บอกไว้ว่าลมะมกคนทีนักก็ฝนะรูมินอัลลิลกิตาบวัลมชุชลีกีนะัมุฟ ก, กีนฮะัตเตะแทติทยัฮุมบนะุบัยนะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งจากชาวคัมภีร์และจากผู้ตั้งภาคีจะไม่มีทางหลุดพ้นจากความหลงผิดของพวกเขาจนกว่าเขาจะได้รับสิ่งที่ชัดเจน ถ้ากลุ่มคนที่ว่าอยู่กันเป็นร้อยอยู่ท่ามกลางความหลงผิดเป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะคนพบศสนจธรรมได้ด้วยตัวเองอยากยากถ้าเราดูจากหน้าประวัติศาสตร์พูดได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าร้อยไม่มีความช่วยเหลือเป็นไปไม่ได้ซึ่งในเน่ยพวกร้บอกให้เราได้เห็นสภาพสังคมในยุคจาริยะของท่านบดุลเละ์สุล่ามว่า ก่อนที่ท่านนบีจะเกิดจนกระทั่งท่านนบีเกิดจนทั่ท่านนบีรับการแต่งตั้งจนระทั่ท่านนบีทำการเผยแผ่13ปีในมักกะแล้วก็อีก10ปีที่นครมดีนะก่อนหน้านั้นสภาพของพวกเขาขอะตุลสล า, ามอะตุลลอห์บาละกะทุก ค, ครับก่อนหน้านั้นสภาพของพวกเขาหลากัหลกๆพวกละแบ่งออกเป็น2กลุ่มพอกละแบ่งคนยุคใจแย่เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นชาวคัมภีร์คือเป็นคนที่ว่ามีความรู้ ในเรื่องของคำพีของลอร์คือคนที่เชื่อมั่นในคําพูดของลอร์คือคนที่มีความเห็นพ้องต้องกันชาวคัมภีร์เห็นค้องต้องกันนะครับชาวคริสตกับชาวยูที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยถึงแม้จะไม่ลงรอยกันเพราะยูก็ถือว่าของฉันถูกกว่าคริสเตียนก็ถือว่าของฉันถูกกว่าแต่ทั้งคริสเตียนกับทั้งยูในสมัยนั้นมีความเห็นพ้องต้องกันว่างั้นเรามารอาศาสนทูตคนสุดท้ายด้วยกัน ถ้ามาปุ๊บเราจะได้เป็นพวกเดียวกันกลับมาเป็นศาสนาเดียวกันศา ส, สนาที่บริสุทธิ์เหมือนกันเหมือนกับที่ผมุูดผมพูดตอนแรกไงครับตอนนี้พวกเขาอยู่ท่ามกลางความหวังคือเขาไม่ได้สนใจเวลาปัจจุบันแล้วเขารออะไรครับอนาคตเมื่อไหรอ่อัลลอฮฺจะแต่งตั้งนบีคนสุดท้ายเมื่อไหร่นบีคนสุดท้ายจะมาพร้อมกับศาสนาที่ถูกต้องพร้อมกับคัมภีร์ที่ถูกต้องที่ไม่ถูกบิดเบือนเพราะคัมภีร์ที่อยู่ที่พวกเราเดิมบิดเบือนหมดแล้ว นี่คือสิ่งที่ชาวคริสกับชาวยูตั้งหน้ารอคอยเหมือนกับพวกเราที่ผมพูดตอนแรกครับบางท่านใช้คำว่าบางท่านนะผมมาชัวร์แล้วมีหลายครั้งที่ว่าเหมือนกับแอบตั้งเงื่อนไขกับพวกเรา ว, าว่าถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก็คงจะดีผมคงจะเป็นคนที่ดีกว่านี้รอว่าเมื่อไหร่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นรอว่าเมื่อไหร่มันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่บางครั้งพอมันเกิดขึ้นเราก็กลับไม่ได้ดีขึ้นเลยบางทีแย่ลงเลยซ้า เหมือนกับมีเรื่องเล่าใช่ไหมครับที่มักเล่ากันแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าทั่วดออิฟเรื่องเล่าที่ดออิฟนะครับก็คือสายรายงานไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงแต่ก็มีการพูดคุยกันที่ว่ามีซอบัตท่านหนึ่งที่ว่าเป็นคนที่ยากจนยากจนมากแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บท่านอับดุลสลามสังเกตว่าเขาจะมาละหมาดวันเว้นวันมาละหมาดวันเว้นวันท่านอบีก็เลยเรียกเขามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอทาไมคุณถึงมาละหมาดวันเว้นวัน เขาก็บอกว่ายาสุรุลละครับผมมีเสื้อผ้าที่พอจะใส่ออกนอกบ้านได้แค่ชุดเดียวคือยากจนมากเลยมีเสื้อผ้าที่พอจะใส่ออกนอกบ้านแค่ชุดเดียวคืออยู่ในบ้านก็ใส่แบบขาดๆเลยมันก็ใส่ใส่ก็ใส่ไปแต่ออกนอกบ้านมันต้องเรียบร้อยหน่อยผมมีเสื้อผ้าที่พอจะออกมานอกบ้านแค่ชุดเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมออกมาภรรยาผมจอกไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ภรรยาออกมาก็ใส่ชุดเดียวกันเลยแหละผมก็จะอกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยตกลงกันว่าผมจะมาละหมาดวันเว้นวัน ึ่งเวลาซักผ้าอะไรก็ตอนกลับบ้านไปซักแล้วให้มันแห้งเช้ามาก็ใสเนอยหยิบประมาณนั้นชายคนนี้ก็แผหานบีแล้วก็บอกว่าช่วยขอดวงจ้าวร้อยผมรวยหน่อยผมจะได้มาละมัดทุกวันอ่าผูกมีความคาดหวังกับอนาคตคือตอนนี้เขาคิดว่าเขาทำตัวให้ดีตอนนี้ไม่ได้แต่อนาคตมันน่าจะดีได้ถ้าเขาได้สิ่งที่เารอให้ <c oughs> ขอมาครับผลเกิดอะไรขึ้นครับ ท่านอบีไม่ขอให้ไงว่าเราแนะนำครับสา ย, ยางานใดอร์บ็กคนนี้ก็มาต่อรองกับท่านอบีมาขอแล้วก็ขออีกบอกเฮีร์สูรว่าไม่เห็นเลยเนี่ยผมเดือดร้อนจริงๆนะเนี่ยผมอยากจะมาละหมาดทุกวันผมอยากจะอยู่กับท่านผพะอยากจะเรียนรู้กับท่านอยากจะมาทําสิ่งที่ดีกับท่านผลสุดท้ายในท้ายที่สุดครับเรื่องเหล่านี้บอกว่าท่านอบีก็ได้ขอดูอาให้กับเขาสัตว์ที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันก็เริ่มมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น อ้วนพีขึ้นจากไม่มีนมก็เริ่มมีนมเขาก็ขายได้เริ่มทำธุรกิจได้จากที่ไม่มีลูกก็เริ่มมีลูกก็เริ่มมีลูกหลานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนผลสุดท้ายครับเริ่มมีทรัพย์สินเยอะละชายคนนั้นก็ไม่ได้ไปมัสยิดอีกเลยเพราะอะไรครับไม่มีเวลาไม่มีเวลา ครับคือประเด็นที่ผมเอามาเล่าทางทาง ท, างที่เป็นฮะดิษเดออีฟเพราะว่าเหตุการณ์รูปแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกมันเกิดขึ้นบ่อยมากผมได้ยินขอมารนะครับผมต้องพูดตรงๆรงะนะผมได้ยินพี่น้องหลายท่านบอกว่าถ้าผมมีโอกาสไปทําอุลตร้าก็คงจะดี กลับมานี่ผมจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ถ้าผมไปทำฮัทผมจะกลับมาให้เป็นคนที่ดีกว่านี้บางคนผมไม่เจอตอนอยู่ที่นู่นเลย mm hmm. ที่มักกะเลยเขาก็พูดประโยคนี้แต่ในะอูซูบินแล้วครับพอก่อนไปเนะี่ยเขามาละหมาดบ่อยพอไปเสร็จปุ๊บทําฮัทสเสร็จปุ๊บไม่เคยเห็นเขาที่สุราวอีกเลยดีวทลครับอาจารย์แก้ถามกันครับผม มีมีแท็กบ้างมีมีเซลพองครับผมแต่ก็คือมันก็น้ําตาตกในนะครับผมคุณน้าเหมือนจู้อะไรก็ครับด้วยความเป็นห่วงความเป็นห่วงครับแต่คือคือผมไม่ได้อู้ว่าผมประเสริฐกว่าใครเพราะผมก็เป็นเหมือนกันเพราะผมมีบางเรื่องที่ผมก็เหมือนกับจู้กับพู้อวเลกว่าถ้าไปถึงขั้นนี้ผมคงจะทําได้ดีกว่านี้ผมคงจะทําอะไรได้มากกว่านี้สอนได้มากกว่านี้ชุ่มได้มากกว่านี้ ผลสุดท้ายบางทีมันแยกกว่าเดิมเหมือนกับมีบางช่วงผมคิดนะครับว่าถ้าพอล้อใ้ผมมีเวลาว่างมากกว่านี้ผมจะได้ทุ่มสอนให้เต็มที่เอาตัวเองมาขายเลยพอล้อกลับให้ผมว่างจริงแล้วเวลาว่างทั้งหมดของผมไม่ได้ทำอะไรเลยคือมันเหมือนกับว่ายิ่งยุ่งมันยิ่งต้องแบ่งเวลามันยิ่งต้องบริหารเวลามันยิ่งต้องจัด แต่พอเราไปคาดหวังกับตัวเราในอนาคตซึ่งตัวเราในปัจจุบันเรายังคาดหวังมันไม่ได้แล้วเราจะไปหวังอะไรกับตัวเราในอนาคตอันนี้ประเด็นสําคัญนะครับมุสลิมเราถ้าเรายังไม่สามารถคาดหวังกับตัวเราในปัจจุบันได้อย่าไปหวังที่จะคาดหวังกับตัวเองในอนาคตเพราะธรรมชาติของมนุษย์ชีวิตเราจะตกต่ําลงเรื่อยๆสังเกตดูจากคนที่ไม่เคยพูดคำหยาบยิ่งอายุเยอะจะยิ่งกล้าพูดคำหยาบ คนที่ไม่เคยลงไม้ลงมือกับใครยิ่งมีอายุจะกล้าลงมือลงไม้กับใครคนที่ไม่เคยทําบาปอะไรก็ตามยิ่งอายุมากขึ้นเขาจะกล้าทําเพราะชีวิตของมนุษย์เรายิ่งเราใกล้ชิดกับดุลยามากเท่าไหร่เรายิ่งเป็นฝั่งดุลยามากเท่านั้นเป็นเรื่องน่ากลัวเป็นเรื่องน่ากลัวที่ว่าเนี่ยพวกเราก็บอกให้รู้นะครับว่าในยุคใจนียะใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยลอนอะเบีคนสุดท้ายหมดเลยมันมีสองกลุ่มกลุ่มชาวคัมภีชาวคิสชาวยู ไม่ใครถูกหน้ากันทั้งหมดก็บอกว่าเนี่ยถ้านะบีคนสุดท้ายมานะเราคงจะได้มาร่วมกันคงจะได้มาจับมือกันคงจะมีคัมภีเร่อสุดท้ายที่เราจะไปด้วยกันผู้ปฏิเสธสัทธาก็เหมือนกันเพราะผู้ปฏิเสธสัทธาส่วนใหญ่ก็ยังคงอ้างอิงศาสนามาจากศาสนาของละบีบรอฮิมเขาก็รอคอยว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะเป็นคนที่ดีกว่านี้เพราะเวลาไปหาชาวคมภีชาวคมภีร์ก็จะบอกว่าเดี๋ยวถึงเวลานะ ช่วงยุคสมัยสุดท้ายนะประชาชาสุดท้ายนะพอลอสจะแต่งตั้งนบีที่ประเสริฐที่สุดด้วยกับคำสอนที่ประเสริฐที่สุดผ่านคำพีที่ประเสริฐที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเป็นศาสนาในช่วงที่ประเสริฐที่สุดให้กับพวกคุณรอไว้เลยพวกนั้นก็ตั้งมาต่งตางๆรอและพอมาเกิดอะไรขึ้นครับพวกเราก็รู้กันดีตาแรกตกลงรอด้วยความหวัง เหมือนกับที่ว่าอากาศเป็นกระดานครับแต่สมาคมจะมีอวกรูบุมชัดตาบางครั้งนะครับเวลาที่เราเห็นคนที่ไม่ดีเขารวมตัวกันเพื่อที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีหรือต่อให้ทาสิ่งที่ดีอะไรสักอย่างบางทีเรารู้สึกว่าเขาเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเหมือนตอนนี้อาจจะมีกระแสที่จเกียดชังอิสลามเมื่อเห็นว่าคนนั้นไปดึงคนนี้มาอาจจะมีกลุ่มจากรัทธิจานบินไปดึงกลุ่มจากคนที่มีผลมระนจากการเมืองไปดึงจากใครก็ไม่รู้ไปดึงมารวมกันเพื่อที่จะมาโจมตีอิสลามเป้าหมายต่างกันเจตนาต่างกันแต่ที่เา ประกาศออกมาคือเขาเกียรติอิสลามเขาบอกอิสลามสร้างความแตกแยกเขาหาจุดร่วมทั้งๆที่ว่าในหัวใจของเขาอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ว่าหัวใจของเขาไม่ได้คิดเหมือนกันบางคนเพื่อผลประโยชน์บางคนเพื่ออำนาจบางคนเพื่ออะไรก็ไม่รู้แหละอัลลอฮ์เท่านั้งที่รู้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยนบีแล้วแล้วมันก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมุสลิมเราก็จะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆท่านนบีมุสลิมสลาบอฟิตนามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่ง ไปจนถึงจุดที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินผ่านกูโบะครับผ่านหลุมฝังศพเนี่ยเราจะอุทานมาในใจเลยว่าเราแลกที่กันได้ก็คงจะดีหนักแค่ไหนคิดดูความมุ่นวายความเลวร้ายความตกต่าของสังคมในอนาคตเราไม่รู้ลูกหลานเราจะเจอหนักกว่าเราอีกนะครับตอนนี้เราว่าหนักแล้วใช่ไมแต่ถ้าเราดูสภาพสังคมโดยรวมมันเลวร้ขึ้นเรื่อยเรื่อย ภาพโปสือลามกมันไม่เคยเปิดเผยชัดเจนขนาดนี้แล้วมันก็ชัดขึ้นเรื่อยเรื่อยการอยู่กันแบบว่านอกใจกันมันหนักขึ้นเรื่อยเรื่ตอนเนี้ยครับสถิติที่ว่ า, าบริษัทดูเล็กรู้จักกันดีนะครับผมทํางานวิจัยมาครับเขาพบว่าไงครับประเทศที่มีอัตรานอกใจระหว่างคู่ที่แต่งงานแล้วนะแต่งงานแล้วไม่ใช่คบกันเป็นแฟนคบกันนอกกันยังไม่ได้แต่งไม่เกี่ยวคู่ที่แต่งงานแล้ว แล้วนอกใจคู่ครองของตัวเองเนี่ยอันดับสูงสุดอันดับหนึ่งคือประเทศไทยซึ่งอัตราอยู่ที่5้าบเ็ดอร์เซนหมายความว่าถ้าเราเห็นคู่แต่งงานสองคู่ต้องมีคู่หนึ่งที่จะนอกใจคู่คร อ, องของเขามาเร็ว้ายขนาดนี้แล้วะครับห้าดเปอร์ซหมายถึงถ้าเกิดเราไปงานแต่งางานสองงานหนึ่งในสองงานนั้นต้องมีงานหนึ่งที่เตรียมนอกใจกันแล้วเรวร้ายไหมมีเร็ว้ายกว่านี้ครับ สถิติเขาบอกว่าปีที่ผ่านปี59้าไม่ใช่ปีที่ผ่านมาปีห้ามีสถิติการแต่งงานที่ว่าจดทะเบียนสมรสกันกับทะเบียนยาจดทะเบียนยาครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งในปีสองห้าห้าเกเกือบครึ่งเกือบครึ่งต่อครึ่งก็คือที่แต่งงานไปเนี่ย ประมาณ33 39% ิเก้าอรมาประมาณ 39% มอย่ากันผมไม่ได้พูดถึงคนที่อยู่กันแบบนี้แต่งแนละพูดถึงอยู่กันแต่งคืออยู่กันมานานแล้วเราคิดว่าฉันน่าจะจะอยู่กับคนนี้ดีที่สุดอยู่ปุ๊บเลิกลากันไปแล้วยุคสมัยมันจะเลวร้ายกว่านี้อีกแล้วเราคิดดูว่าสังคมจะเป็นยังไงที่คือสิ่งที่เราต้องฉีดวัคซีนให้กับตัวเราเองก่อนแล้วก็กับคนที่เรารักอย่างน้อยก็เอาให้ได้แค่2กลุ่มก่อนกลุ่มอื่นปล่อยเขาไปก่อน แต่ละคนและไปชอบตัวเองครับก็คนสนใจจะเซฟผอมูลนั่นนะครับถ้าเกิดว่าลองดูว่าถ้าเกิดข่าวลุมกันประโคมว่ามีใครสักคนทำความดีมีศีลธรร ม, ม, ก, มกับคู่ดาราที่ว่าไปแอบอยู่กันก่อนแตง่ง ยังไงคนก็จะเลือกดูข่าวประเภทหลังเป็นเรื่องปกติเหมือนกับที่ผ่านมาข่าวปวดร้านทองลบบุรีข่าวที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ช่วงเดียวกันคืออะไรครับมีการพบเจอว่ามีการแอบส่งอาวุธทหารจากทางใต้ขึ้นมาข้างบนมีการแอบส่งแต่พอข่าวขึ้นมาคู่กัน ข่าวที่ว่าอาวุธสงครามถูกจับได้ว่ามีการแอ บ, บส่งหรือมีใครสนใจไหมครับไม่สนทั้งทงที่มันร้ายแรงกว่านะคนในเครื่องแบบเองเป็นคนลับแล้วก็ก็ขอเสนความเสียใจกับครอบครัวด้วยซึ่งเขาก็ตัดสินใจค่าตัวตายซึ่งก็ไม่รู้ว่าถูกกดดันหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนั่นแหละแต่ประเด็นก็คือว่า หลายครั้งนะครับในสังคมในะเรื่องที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันมักจะไม่ใช่เรื่องที่ได้รับการให้ความสนใจมันมักจะต้องเป็นเรื่องอื่นเป็นอย่างนี้เสมอเป็นอย่างนี้เสมอวมวรวมถึงเรื่องที่ไม่ดีด้วยใช่ครับ ส, รสิ่งที่ไม่ดีครับคืออย่างถ้าเกิดสมมติบอกว่า อ, อจะมีโต๊ะ อ, อิ ม, ม่ัมสมมติสๆโต้ยิมัมสักที่มาแจกลายเซ็์ที่มัสยิดช้างคานวันเสาร์ ไม่ีใครมาไม่มีใครมาแต่ถ้าเกิดลองเปลี่ยนเป็นดาราสักคนเป็นโอ้ครับแล้วที่มาเดี๋ยไม่ใช่กาเฟสนะมุสลิมมาจริงไหมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วผมไม่ขอพูดถึงผมไม่อยากพาดพิงอะไรเยอะมันเกิดขึ้นแล้วครับกับไม่ใช่ยักกวาดของเราครับเดี๋ยวจะไม่จบนะครับสุร้อนใบยนะเพียงแต่ว่าสุร้อนนี้ถ้าเกิดอ่านปุ๊บเราจะพบว่ามันมันมันมีข้อเตือนสติมันมีความประเสริฐเยอะจริงๆมีความประเสริฐที่พูดถึงสุร้อนนี้แต่ว่าเป็นฮิสโทรี่เช่นเดียวกัน ผมก็เลยขออนุญาตไม่หยิบยกมาพูดถึงเราแปลไปลิเลตของเราก็าคือกุฎานทั้งหมดอย่างที่เรารู้ทุกเป็นชนะ10ความดีถ้าอา่านได้สิความดีถ้านําไปปฏิบัติก็เป็นความดีที่อยู่กับเราไปตลอดการครับครับพระรัตน์บอกนี่ยครับในย้แรกครับบรรดาผู้ไปเสดสท่าทั้งจากชาวคัมภีและผู้ตั้งภาคีจะไม่มีทางหลุดพ้นจากความหลงผิดจนกว่าพวกเขาจะได้รับสิ่งที่ชัดแจ้งจนกว่าพวกเราจะได้สิ่งที่ถูกต้องมาให้รู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด พเพราะว่าบอกเลยครับรอซูลูมินาลอฮิยะซู ล, ลูซุฮุฟามุตฮาระคือรอซูลคือศาสนาทูตคือคนที่พวกเขารู้ดีคือคนที่พวกเขารับรองว่าเป็นคนที่ดีที่สุดในกลุ่มของพวกเขาคือคนที่พวกเขาให้การรับรองว่าเป็นคนที่ตลอดชีวิตไม่เคยโกหกเลยคือสุดยอดความดีที่ว่าชาวคัมภีร์ก็ยอมรับชาวคัมภีร์ยิ่งรู้ด้วยซ้าว่านบีเป็นนบี บรรดาชาวผู้ไปศรัทธาก็ยอมรับว่านาบีนดีที่สุดพอล้อนเลือกคนที่ดีที่สุดเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ยัตทูซูฮูฟั ม, มุตฮาราะศาสนทูตท่านนี้ครับได้มาอ่านคัมภีร์ที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์หมายความว่าไงครับไม่มีคำสอนใดที่เป็นเรื่องโกหกไม่มีคำสอนใดที่ว่าสร้างให้เกิดความเสียหายบนผืนแผ่นดินขอยืนยัน 100% เปเซว่าคำสอนของอิสลามไม่มีแม้แต่คำสอนเดียวที่สร้างความเสียหายบนหน้าผืนแผ่นดินไม่มีเลยไม่มีขอยืนยันตรงนี้ซึ่งในที่พวกเราเก่าเ น, นี่ยก็อ่านนะครับฟิจารูฟูมสูฟามุตต่อเราเป็นคัมภีร์ที่มีความสะอาดผู้ที่อ่านได้รับการขัดเกลวจิตใจของเขาคนที่ฟังเขาก็ได้รับความสบายใจขาได้การปลดเปื้อง สามารถรักษาโรคภัยได้ด้วยทั้งโรคเกี่ยวกับร่างกายจริงๆหรือโรคเกี่ยวกับจิตวิญญาณสามารถรักษาได้เยียวยาได้สำหรับผู้ที่ศรัทธาแล้วก็คําสอนก็เป็นคําสอนที่ว่าชาวคัมภีร์ถวินหามานานแล้วดีที่สุดแล้วพวกเราไม่ได้เรียกสิ่งที่แย่ๆมาให้พวกเขาเลยพวกเราเอาของที่ดีที่สุดของดีที่สุดของดีที่สุดเอามายื่นให้เกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นพวกเราบอกเรียกที่สาว่าฟีแฮอตุบุลกอยี่มะใน คำพีนั้นมีบทบัญญัติบทบัญญัติต่างๆที่ชัดเจนที่เที่ยงตรงทเที่ยงตรงคือชัดเจนคำสั่งใช้แต่ละอย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวพวกเราจะบอกให้รู้ว่าข้อแท้จริงสาระของอิสลามมาสร้างความแตกแยกได้อย่างไงหรือทําไมถูกเรียกเป็นผู้ก่อการร้ายหรือว่าอะไรก็ตามมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะเราบอกไงครับว่ามาตี่ฝรัั้นในอุตุลขีตับอิลลามินบารีมาจะเอตุมอุลเบย์เ พอเรากล่าวว่าในยุคที่4ีนะครับและชาวคัมภีร์ไม่ได้แตกแยกกันเว้นแต่ภายหลังที่พวกเขามั่นใจในสิ่งที่ชัดเจนนี้แล้วมั่นใจแล้วชาวยิวก็รู้ว่านี่แหละคือนบีคนสุดท้ายเพียงแต่ว่าไม่ได้สืบเชื้อสายกษัตริย์ของโซเรลมานมาไม่ได้สืบเชื้อสายของโซโลมอนของดาวิดมาชาวคริสเตียนก็รู้แต่ก็รู้ว่าก็ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากสายของกษัตริย์เช่นเดียวกันแต่มาทางสายของอาหรับก็คือสายของนบีอัลมาอิน รู้ด้วยซว่าคมภีนี้ก็คือคำภีที่ถูกประทานมาจากพระผู้ยุบาลองค์เดียวกับที่ประทานเตารอนกับอินจีนมากับเซอบูตมากับซูฟุฟมาเป็นคำภีที่ถูกประทานมาเหมือนเหมือนกันคําสอนสั่งใช้เหมือนกันเขามั่นใจแล้วเขาจึงเกิดความแตกแยกแปลว่าพวกเราบอกข้อเท็จจริงให้เรารู้ครับว่าสัญชาติยานของมนุษย์หรือถ้าเกิดจะพูดสับให้แรงกว่านี้ สันดานของมนุษย์ธรรมชาติแล้วเมื่อมีสิ่งที่ถูกต้องปรากฏขึ้นเมื่อมีความจริงปรากฏขึ้นเมื่อมีสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นคนเราจะเกิดความแตกแยกทำไมถึงตแตกแยกครับแตกแยกเป็นสองกลุ่มระหว่างกลุ่มที่พร้อมที่จะรับกลุ่มที่พร้อมที่จะเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองกลุ่มที่พร้อมที่จะเลิกการดื่มสุรากลุ่มที่พร้อมที่จะเลิกการทำซีหน้ากลุ่มที่พร้อมที่จะละทิ้งการกินดอกเบี้ยเพราะทุกอย่างมันมีแต่ความชั่วร้ กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยากจะละทิ้งสิ่งที่ตัวเองทํามาตลอดมันเป็นสติธรรมที่ถูกต้องใช่ไหมแต่ถ้าฉันยึดหมายความว่าย่างไรครับฉันกินเหล้าไม่ได้หมายความว่าฉันทําซีนาไม่ได้หมายความว่าฉันยุ่งเกี่ยวกับดอกเบีย้ยไม่ได้ซึ่งปัญหาของระบบเ ศ, ษศ ร, รษฐศาสตร์โลกปัจจุบันปัญหาหลักๆส่วนใหญ่เกิดจากสังคมดอกเบีย้ยทั้งสิ้นแต่เขาทิ้งไม่ได้ จริงๆสิ่งที่กาเฟสควรจะกลัวอิสลามมากที่สุดก็คือการที่อิสลามไม่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบีย้ยคือคําสอนที่น่ากลัวที่สุดแล้วสาหรับพวกเขาเพราะมันจะทําให้ทุกอย่างที่เขามีมันกลับตลาลปัดไปหมดเลยมันไม่ใช่คําสอนที่พูดถึงให้การปกป้องตนเองหรือให้การช่วยเหลือคนอื่นหรือมันไม่ใช่คําสอนที่น่ากลัวจริงๆคือเรื่องดอกเบี้ยนั่นแหละการที่อิสลามปฏิเสธดอกเบีย้ยในทุกรูปแบบซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงจะได้พูดคุยกัน ครับสุเดชินี้ครับพอเราบอกเลยครับชาวคัมภีเนี่ยไม่ได้แตกแยกกันเว้นแต่ภายหลังจากที่พวกเขามั่นใจในสิ่งที่ชัดเจนนี้นแล้วว่าเขารู้แล้วว่าเนี่ยคือนาบีที่เราสัญญาไว้ในคมภีร์ของพวกเขาเองแต่พวกเขาแตกแยกว่าจะตามดีหรือไม่ตามดีพอจะตามดีหรือไม่ตามดีเกิดความแตกแยกไหมแตกแยกผมก็เลยบอกว่าธรรมชาตินะครับพวกเราต้องตระหนักไว้เลยเมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่สังคมอยู่ในความเลวซามอยู่ในความชั่วลัย ถ้าใครสักคนที่จะลุกมายืนอยัดเรียกร้องสิทธิเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนเดือดร้อนยุกลุกมาเรียกร้องสิทธิให้กับผู้หญิงอย่างแท้จริงลุกมาเรียกร้องสิทธิให้กับเด็กกำพ ร, รา้าคนที่สังคมไม่ให้ความสนใจลุกมาเรียกร้องสิทธิให้กับคนยากจนเขาต้องมีศัตรูแน่นอนอกลุ่มแรกที่จะเป็นศัตรูคือใครครับคนที่เสียผลประโยชน์ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาถามว่าอิสลามสร้างให้เกิดความแตกแยกใช่ไหมโดยธรรมชาติแล้วอิสลามไม่ได้สร้างให้เกิดความแตกแยกอิสลามนาสิ่งที่ถูกต้องแล้วชัดเจนแนวทางที่ควรจะเป็นมาให้แต่คนที่กลัวผลประโยชน์ต่างหากที่เขาสร้างความแตกแยกเหมือนกับว่าผมถามมาครับสมมตินะสมมติถ้าเกิดว่ามีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งในชั้นเรียนเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งโดน การแกล้งตลอดเวลาเพื่อนในห้องทําเป็นมองไม่เห็นคือเรื่องของการแกล้งกันในห้องเนี่ยประเทศไทยก็ติดอันดับโลกเหมือนกันครับอันดับสองใช่ไหมครับอันดับหนึ่งคือญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนี่เร็วดาที่สุดแล้วประเทศไทยติดอันดับสองของโลกเรื่องของเรื่บุลลี่ใช่ป่ะครับเรื่องของการแกล้งกันในห้องสมมุติว่าครับในห้องเนี่ยมีเด็กคนนึ่งที่ว่าโดนแกล้งมาตลอดจากกลุ่มเพื่อนทุกคนทําเป็นเอาหูไปนาตาไปไล่คือทำเป็นตาบอดหมด แล้วพอมีคนหนึ่งลุกมาเรียกร้องแล้วก็บอกว่าทำไมถึงไปทำร้ายเขาลหละเขาทำอะไรผิดเขาเป็นเพื่อนของเรานะแล้วห้องก็เลยเกิดความวุ่นวายคนในห้องก็เลยลุมด่าว่าเนี่ยเราอยู่มาตั้งนานก็ดีแล้วแกลุกมาเรียกร้องสิทธิทาไมถามว่าตกลงใครคือคนที่ต้องถูกชีวชี้นิ้วด่าครับคนที่เรียกร้องความถูกต้องเนี่ยไม่ใช่แต่สังคมปัจจุบันกำลังทำแบบนี้ เป็นสังคมที่พร้อมจะชี้นิ้วด่าใครก็ตามที่ทําให้ความยุติธรรมจอมปอมันหายไปความสงบจอมปอมันหายไปคือเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าขอให้เราไม่เด็ดตัวมนก็พอเหมือนกับการแกล้งกันในห้องเนี่ยขอให้เป้าหมายมันไม่แกล้งฉันก็พอแล้วเออมันไปแกล้งอีกคนนั้นก็ดีแล้วก็ให้มันแกล้งต่อไปต่อให้มันจะแคะมันมันจะโกรธมันจะไปฆ่าตัวตายเรื่องของมันฉันรอดก็พอแล้วอยู่ในยุคสังคมอย่างนี้แล้วซึ่งทนายบิวสระศรบอกว่าไงครับ พูดถึงเรื่องของความไหยาณะที่จะเกิดขึ้นกับสังคมท่านอาบีบอกว่าเมื่อไหรก็ตามที่ว่าเราสามารถที่จะเตือนได้สังคมไหนที่ว่าสามารถจะเตือนกันได้แล้วเขาไม่เตือนเป็นไปได้สูงที่เอารถจะทำลายกลุ่มชนนั้นจะทำลายกลุ่มชนนั้นคือเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่เอารถจะลงโทษตั้งแต่ดุนยาคือกลุ่มชนที่ว่าเห็นสิ่งที่ผิดแล้วไม่เตือนเห็นสิ่งที่ถูกที่ไม่มีใครทาแล้วก็ไม่ช่วยส่งเสริม แตสังคมปัจจุบันกับเป็นสังคมที่ว่าขอให้อยู่ไปเรื่อยๆ เ, เออใครจะโป๊ก็เรื่องของเขาถ้าโป้แล้วไปกระตุ้นให้ใครไปข่มขืนคน อ, อื่นก็ปล่อยให้มันข่มขืนไปขอแค่อย่าข่มขืนคนของฉันก็ขอแล้วอยู่ในสังคมแบบนี้เราอยู่ในความชุดความคิดรูปแบบนี้จนกลายเป็นว่าหลายครั้งการที่ใครสักคนจะลุกมาเรียกร้องความยุติธรรมลุกมาเรียกร้องความถูกต้องคนคนนั้นกับโดนชี้นิ้วดา่าในฐานะการสร้างความแตกแย ก, กซึ่งก็เหมือนกับอิสลาม ที่โดนมาตั้งแต่ ย, ยุคสมัยของท่านนบีมุสลิมอัลลอฮฺในสนามที่ท่านนบีโดนด่าเกือบทุกรูปแบบยกเว้นจอมโกโหกไม่มีใครแก้ด่านบีจอมโกหกเพราะเขารู้ว่าในบีไม่ได้โกหกแต่เขาด่าสารพัดเป็นพ่อโมดเป็นคนสร้างความแตกแยกเป็นคนทําสิ่งไม่ดีทั้งๆที่ว่านบีประเสริฐกว่าเราเยอะนบีไม่เคยด่าใครแม้แต่คนเดียวจะเป็นคนรับใช้จะเป็นภรรยาของท่านเองก็ตามปกติคนที่ด่า ง, ง่ายที่สุดคือคู่ครองแต่คู่ครองท่านนบีท่านนบีไม่เคยด่าใคร ท่านมิบุษซามไม่เคยด่าว่าใครท่านเป็นคนที่ให้สิทธิ์ของเพื่อนบ้านท่านเป็นคนที่ให้สิทธิ์ของแขกท่านเป็นคนที่ให้เกียรติกับญาติท่านเป็นคนที่ว่ารักษาเครือญาติท่านเป็นคนที่ว่าให้ความช่วยเหลือคนเดือดร้อนไม่เคยมีใครขอท่านนบีนอกจากท่านนบีจะต้องช่วยท่านนบีไม่เคยพูดไม่กับใครต่อให้ท่านนบีไม่มีจักรีก็ตามเหมือนกับที่ว่าซาร์บะท่านหนึ่งที่ว่าท่านมาหานบีแล้วก็บอกว่าเฮยพระสุลลัสผมพบความหายนตแล้วซอร์บะมาหาทนบีแล้วบอกว่าผมผม ตบีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นซาบะก็บอกว่าผมเผลอไปหลับนอนกับภรรยาของผมในช่วงถือศีลอดของเดือนระมาดอลช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันของเดือนละมาดอลผมผมแย่แล้วท่านอบีอัลสลลของอัลลอฮก็บอกว่าสิ่งที่คุณต้องทําก็คือต้องชดใช้ด้วยกับการถือศีลอดสองเดือนติดกันพวกเรารู้ดีถ้าหลับนอนกับคู่ครองในช่วงกลางวันของเดือนระมาดอลซาบะท่านนั้นบอกว่าอะไรับยารุลุลลฺ วันเดียวผมยังไม่รอดเรามาโดนเดือนเดียวผมยังไม่รอดคือเพิ่งแต่งงานกันด้วยคู่นั้นเพิ่งแต่งงานกันด้วยสองเดือนผมรู้ตัวผมพูดตรงๆแฟร์ผู้ชายเดียกันผมไม่มีทางรอดครับนาบีท่านนบีก็บอกไงครับถ้าอย่างนั้นก็จงเลี้ยงอาหารคนยากจนหกสิบคนหกสิบคนคนละหนึ่งมือ้อซอบ้าบอกผมไม่มีอะไรจะให้คือผมคนจนไงจนก็จน ส่วนความต้องการทางร่างกายมันมีกันทุกคนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับรวยกับจนใช่ไหมครับท่านนบีอัลกุสรัมทายังไงครับท่านท่านเองก็ไม่มีจะ ก, กินเหมือนกันท่านก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งท่านก็รอท่านก็หวังว่าล้อจะไม่แตหนน่หลังจากนั้นไม่นานครับหลังจากนั้นไม่นานมีซาบะอีกท่านหนึ่งเอาเอนื้์ผ่าลำ ม, มาให้ทลายหนึ่งมาบอกว่าอัสซุลละนี่ผมให้เป็นของขวัญให้กับคุณให้กับนบีเพราะนบีไม่รับสนกักครับ ท่านรบีไปรับการบริจาคการเด็ดขาและท่านรบีก็บอกว่าเชื้อสายของท่านฮารอมในการรับการบริจาคแต่รับของขวัญได้ก็มีคนเอามาให้ใครมีระเพราลำทะลายหนึง่งท่านรบีก็บอกว่าเอากระเพราลำนี้ไปบริจาคซะยกให้เลยคือท่านรบีไม่เคยบอกไม่ขนาดไม่มีขนาดไม่มีท่านยังไม่พูดไม่ท่านยังรอเผื่อว่าเราจะให้ท่านได้ช่วยเพราะหัวใจท่านอยากช่วยจริงๆแล้วผลสุดท้ายสวบท่านนั้นบอกว่าไงครับยารสุลละผมควรเอาไปบริจาคใครดีใช่คนที่จนกว่าผมใช่ไหม นบีบอกว่าไงครับก็ใช่สิก็ไปบริจาคให้คนจนสวัท่านนั้นบอกว่าไงครับยาสุลลอะในมัดีนะมีใครจนกว่าผมอีก <c oughs> คือไปหามาเลยไปหามาทั้งมัดีนะเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยจนที่สุดแล้วท่านนบีว่าสุสลธรมก็หัวเราะการหัวเราะของนบีก็คือ ย, ยิ้มเห็นฟันยิ้มจนเห็นฟันแล้วท่านนบีก็บอกว่าไงครับเอาอินทร์ผารามนี้ไปเลี้ยงครอบครัวของคุณแล้วก็ถือว่าเจ้าไปไม่ต้องใช้อะไร นี่ความเมตตาของอิสลามนี่คือความเมตตาของท่านอับดุลเลาะ์ละลอมอะไสลัมท่านอบดยังโดนข้อหาสร้างความแตกแยกคือไม่รู้จะพูดไงแล้วอ่ะท่านบดุลเลามมีภรรยาหลายคนเขาก็บอกว่าไงครับเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการทางเพศเสักล ว, วลาอคาเลวร้ายที่เขาทีา่เขาจะสัรหามาได้เนี่ยมากๆในกามอะไรก็ตามแต่ที่เขาจะพูด อ่าครับแล้วแบบถามว่ามีใครบ้างผมถามผู้ชายพูดกันแบบแมนแมนเลยครับคนที่อยากจะมีคนที่สองคนที่สามเนี่ยถ้าอยากจะมีผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าถ้าผู้ชายจะมีเราอยากจะได้อายุอ่อนๆเราอยากจะได้ขอมือหนึง่งอ่าพูดตรงๆอยากได้ของใหม่ๆแต่ท่านเบียร์สลา ส, าสาลอมของในสลัมภรรยาทุกท่านที่ท่านแต่งเป็นหญิงไม่หมดเลย ผมไม่เคยเจอว่ามีโรคจิตประเภทใดที่ว่าทําให้คนชอบแต่งงานกับหญิงไม่ไม่มีครับไปปรึกษาจิตแพทย์ไม่มีเลยจะมีปมมีอะไรแค่ไหนผมยังไม่เคยได้ยินทฤษฎีมีไม่มีผมไม่รู้แต่ว่าภาคปฏิบัติผมไม่เคยเจอเพราะธรรมชาติของผู้ชายแล้วอยากได้อะไรที่มันตรงจดิตเราที่สุดแล้วคนที่แต่งงานแล้วยังไงมันก็ตะขีดจะขวงใจแหละถ้าท่านบีแต่งงานด้วยความ อ, อารมณ์ล้วนๆถามว่าคนดีอย่างท่านบีถ้าพูดซะอย่าง จะมีผู้หญิงสักกี่คนที่ปฏิเสธบานท่านครับมีซาบียะท่านหนึ่งมาหานบดุลเียซาบิยะท่านนั้นไม่มีวันีไม่มีผู้ปกครองมาหาท่านอบีแล้วก็บอกยาซูลละฉันมอบตัวฉันให้ท่านเลยจเจ้าฉันไปทําอะไรตามสบายเลยจะแต่งงานจะไปเป็นข้ารับใช้จะ อ, อะไรฉันมอบให้ท่านเต็มที่เลยท่านอบีก็นิ่งก็มีซาบะที่อยู่ใกล้ๆบอกยาซูลละถ้าท่านไม่แต่งกับนามขอฉันได้ไหม อ่าสมด้าท่านไม่แต่งขอฉันได้ไหมท่านอบีก็ถามว่าเธอมีสินสอดเธอขอโทษเธอเธอเธอมีอมาฮัตอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกผมผมไม่มีเ่ยผมยากจนพูดตรงตรงท่านอบีก็บอกว่าจงไปหาสินสอดถึงแม้จะเป็นเพียงแหวนเหล็กอันนี้คือที่มาของอาทิตย์ที่ว่าครับแล้วท่านอบีก็แต่งงานผู้หญิงคนนั้นท่านอาบีถือว่าผู้หญิงคนนั้นมอบตัวให้กับท่านแล้วท่านเป็นวาลีแล้วแล้วท่านเห็นว่าผู้ชายที่มาขอเนี่ยมีข้อดีทุกอย่างมีข้อเสียอย่างเดียวคือจน ซึ่งสําหรับยุคนี้เป็นข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดเพราะเขาบอกว่ายุคนี้มันไม่ใช่ยุคที่จะมากัดก้อนเกลื่อกินก็แล้วแต่ยุคสมัยนะครับผมเพียงแต่ผู้ศรัทธาเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ว่าหากเรากลัวความยากจนอัลลอฮ์ใช้ความร่ำรวยเองตัวอย่างเยอะมีเป็นล้านเลยครับผมตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดอยู่หน้าอยู่หน้าทุกคนเนี่ยแหละครับการแต่งงานทําให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมเองชัดเจนครอบครัพวพี่น้องของผมเกือบทุกคนเหมือนกันชัดเจน เพราะการแต่งงานแล้วความไปอยู่จะร้อยดีขึ้นแล้วก็ผมแน่ใจถามคุณนาได้ใช่ไหมครับผมเพราะการแต่งงานเพราะลูกหลานคือเมื่อก่อ น, นเขาเขามีสโลแกนที่บอกว่ามีลูกมากจะยากนานนั่นคือเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงไงเขาไม่ใช่อล้อไงแต่อล้อผู้สร้างย่อมรู้ว่าอะไรดีอะไรถูกอะไรผิดพงศ์บอกว่าการมีลูกมันไม่ได้ทําให้จนสารพัดสารพนะครับถึงแผ่นแกนของยิวตึงเป็น ควา ม, มหมาหูความหมาเข้าใจตัว อ, อย่างสารพัดแบบเดียวมึ ง, ม ง, งครับเดี๋ยวนี้เกิดเป็นปัญหาระดับโลกเลยครับเดี๋ยวนี้เป็นปัญหาระดับโลกโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งไม่น่าจะมีเขาบอกประเทศไทยไม่น่าจะเกิดเพราะมันเป็นปัญหาของประเทศรวยๆใช่ไหมครับแต่ประเทศไทยมีปัญหา ก, ก็คือเราอยู่ในสังคมผู้สูงอายุแล้วคือเราไม่ค่อยมีคนทํางานเท่าไหร่แล้วเหลือรอดมาไม่กี่คน่นะใครมี ลูกหลานผู้หญิงก็มองมองใช้ตาไว้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับนอกเรื่องขอมาฟจีเออผมผมผมไม่รู้ว่าควรจะพูดที่นี้หรือเปล่าอ่ออูใด้ไหมครับอูไดนะครับมไม่รู้พูดเรื่องอะไรอ๋อโอเคครับคือตอนนี้ผมมีโปรเจกต์อยู่ในหัวครับผมเพราะว่ามีผู้ปกครองหลายท่านที่ว่ามามาขอผ่านผ่านผมช่วยหาคนดีๆให้กับลูกหน่อยแล้วก็มีมาจํานวนนึงแล้ว มากกว่า10คนผมก็เลยว่าถ้าเกิดว่าท่านใดมีลูกหลานที่ว่าสนใจที่ว่ามีคู่ครอง ก, ก็ขอลองส่งโปรไฟล์มาอะไรมาผมจะทําไปฐานข้อมูลไว้เผื่อที่ว่าลูกหลานทีเราจะได้มีคู่ครองที่หาล้านแล้วก็ที่ดีงามแล้วก็หวังว่าเราใช่บราร์ระแกะไม่ใช่เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรไม่เกี่ยวทั้งสิ้นเลยก็คืออยากจัดให้ว่ามีจุดที่ได้ให้มาจูนกันให้มาแล้พูดคุยกันอะไรประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวคุยกันทีหลังนะครับผมส่งโปรไฟล์ส่งอะไรมาคือตอนนี้อย่างน้อยก็มี6กเ คู่แล้วที่ว่าก็ก็ด<ๆ>ูต่อไปครับผม<ๆ>ผม<ๆ>ผมไม่ตึง<ๆ>คู่ครับับชาคือคือมีมีตึงที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นห่วงเรื่องลูกสาวตัวเก่าใครหาสามีดีๆเฮ่อหรือว่าเป็นห่วงลูกบ่าวตัวเก่าใครได้ลูกสาวดีๆก็มีเงื่อนไขมีอย่างเดียวเรามาอู้กันที่ต่อกันดิฉาว่าครับผมก<ๆ>็หวังว่าจะเป็น ครับบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ว่าเป็นตัวกลางพืินชาวล้อครับผมแต่ว่าออประกาศให้ชัดเจนผ่านสื่อเลยนะครับผมผมผมไม่รับเบอร์สองนะครับประกาศให้ชัดเจนก่อนยังไม่มีใครมาแทาบทางผมหรอกไม่มีหรอกคือหลงตงนิดนึงก็เลยบอกไว้ก่อนว่าไม่รับเบอร์สองครับคือผมชอบชีวิตที่สงบสุขสงบสุขแล้วครับถ้าใดมีความสามารถผมไม่ได้ห้ามนะการที่ผมประกาศว่าผมจะมีคนเดียวไม่ใช่แหมค ว, มว่าผมบอกว่ามีสองคนไม่ดี เพราะคนที okay. just, uh, yep. no, really ่ม mm ีมากกว่าหนึ่งคนดีๆก็มีอยู่ใช่ไหมครับตัวอย่างก็มีเห็นก็มีอยู่แล้วทำดีแล้วครับครับครับพอกว่าการที่จารที่ปยอมรับว่าผู้ชายบบอม่ยากที่สามีหรืยอมรับว่าที่สามีป็นคนที่สองที่สาที่เป็นบ้าต้องต้องอูชัดเจนกันกันเดียวนะครับเต่อาจานเป็นอู้มาพิดแต่ว่าอาจจะเข้าใจพีดได้ มาพีแต่เขเอาจจะเขาใจะได้มเาเพรับว่าบทบัญญัติเรื่องการมีภรรยามากกว่าหนึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีในคำพิอัลกุรอานใครก็าตามที่ปฏิเสธส่วนหนึ่งส่วนใดของกุรอานสามารถตกศาสนาได้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นส่วนตัวนะครับสําหรับมุสลิมที่รักนะครับผม <Yeah. S 1> เฮาก็ยอมครับว่าอลอมันเปิดช่องเฮาเหามาได้บอกว่ามันฮารอมแต่เฮาแค่บอกว่ากับคู่คร อ, องของเฮาเนี่ยเฮามาฮื้อ <c oughs> คนละเรื่องกัน <c oughs> คนละเรื่องกัน โอเคคือผมครับใเรื่องเงื่อนไขเมื่เงื่อนไขมันาเข้าครับผมคขก็ยักได้อบว่ามือเ่าครับครับก็คือผมเลยว่าต้องต้องพูดให้ชัดเจนเพราะว่าดีครับเผื่อพี่น้องทางบ้านจะได้ฟังด้วยก็คือประการแรกเนี่ยเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เราไม่ปฏิเสธคําสอนของอิสลามเราไม่ไเวเสธคําสอนของเราไม่เไปองศ์ก่อซูนมันเป็นสิ่งที่งดงามอยู่แล้วถ้ามันเป็นในรูปแบบที่มันเป็นถ้ามันไม่ใช่การไปแอบกินเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าการที่ผู้ชายสักคนจะมีมากกว่าหนึ่งแล้วเขาแอบไปทําแปลว่าเขากําลังรู้ตัวว่าเขากาลังทำผิดอยู่เพราะถ้าเขามั่นใจว่าเขาทําถูกเขาไม่มีทางแอบทําสิ่งที่ถูกมันต้องหลบซ่อนทําไมใช่ไหมครับถามพี่ชายสติลักษณ์ของผมก็ถ้าสิ่งที่ถูกก็ชัดเจน เยีย่มยมครับแต่จริงๆครับผมขอประกาศตอนนี้เลยนะครับถ้าใครจะทําสิ่งที่เขาอ้างว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาต้องแก้ทําอย่างชัดเจนแล้วต้องทําให้ถูกต้องตามที่อัลลอฮฺและรอสูญสั่งโอ้ปานี้เป็นอย่างครับมาพอใจก็ผมไม่ยอมรับมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงผมไม่ยอมรับปากเยวนะ อมม๋มันล้มนี่เฉยมันล้มนเฉ๋ ย, ยวแค่ในรูโมเคนะครับแล้วผมก็เลยบอกว่าที่อาจารย์ท่านนั้นพูดเนี่ยไม่ผิดแต่อาจจะเข้าใจผิดไม่ผิดก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีใครปฏิเสธคําสั่งของล้อตกศาสนาแน่นอนครับเพียงแต่ว่าคําสั่งของล้อเนี่ยล้อมีเงื่อนไขไอ้ตัวคุณที่จะมีนะคุณผ่านเงื่อนไขหรือ ย, อยังคุณยุติธรรมได้หรือยังคุณให้ความบุญคุณได้หรือยังคุณมีความสามารถพร้อมแค่ไหนแล้วจะบานไปครับจ้าละ เราทำดีแล้วครับเราต้องให้แม่บ้านพูดอเรื่องอย่างนี้ต้องไม่ใช่ผมพูดต้องพู้อาวุโสพูดผมพูดเขาแคะหาว่าเ้าข้างตัวเองครับอาจารย์ขอขอยิกม้าสักหน่อยละครับอย่างเช่ผู้ชายบางคนนี่ครับโอเคครับผมแล้วภรรยาเปิ้ลก็เข้าใจโอเคครับผมเปิ้นก็เลยว่าครับอันนี้ชัดเจนก็คือบางเตัวภรรยาก็บอกว่าอิทแล้วไหมครับ แล้วใครมีกับไปมีกับสองคนแล้วกันเออไปเต้อไปไก่เต้าปฏิเสธเรื่องอมเนีแต่ในที่ว่าผมจะมีสคนเาโอเคใ้สายเรื่ภาพทีอ่าครับชัดเจนเอาบ้ามาครับครับมั่งมีก็คืเอาเรื่องเดียวนะเอาเรื่องเดียวคือเรื่องที่ว่าภรรยาสามีภรรยาที่เราอยู่ร่วมน่มามางทีอาจจะเมินเป็นสิบสิบปีามเงืนอะควาได้ความเอความที่ว่าเคยชิน่ะมันอาจจะทุกอย่างมันอาจจะลดลงหมด แต่ทีนี้ว่าถ้าเอาไปมีคนปมเนี่ยอันนั้นมันเพิ่มขึ้นเพิ่มจากความรักเพิ่มความเมนใช่ความโกรธความเกลียดความแกนเหมือนใช่นะครับจจจจที่เอาเาอยู่ในแเมินเนี่ยมันเออมันนี่คือสิ่งที่มองมองข้ามเหมือนคุณนะใครอู้อย่างสัก่างนะครับมันเหมือนมัเหมือนาที่ใส่ามันมองะไปมีหมายแล้วกลืม่าแล้วโอเคครับโอเครัเอาเอาเป็นว่า เดี๋ยวโ อ, โ อ, โอุเรื่องชัดเจนก่อนนะครับอุเรื่องชัดเจนก่อน ก, น, กนก็คือว่าต่อให้ภรรยายอมรับให้สามีมีคนที่สองไม่ได้หมายความว่าภรรยาจะไม่หึงหวงใช่แต่ธรรมชาติก็คือเรื่องหัวมีอยู่แล้ ว, รร ม, ลวมีอยู่แล้วครับเพราะนั้นเราเราเปลี่ยนกลับมาอันใบยีะ่ากันนะครับผมรเรื่องนี้มันไปไกลนะครับ <c oughs> อ่ะต่อครับ แล้วถึงอายะที่5พครับวเราบอกไงครับว่ามาอูเมรอิลลาลยิยาบดุลลอฮมุคนดดนนมินุตีนฮุนฟอวยิมุลตะตุซกะตวะลิกดีนุตยมา ต, ตอนนี้ครับว่เราสรุปให้ฟังแล้วว่าอิสลามคืออะไรใครอยากรู้อิสลามคืออะไรใครที่ไม่เข้าใจอิสลามพวกเราบอกอิสลามในสามวักสรุปอิสลามทั้งหมดในสมประการด้วยกันใน3ประการด้วยกันประการแรกพวกเราบอกไงครับ ทั้งๆ ท, ที่พวกเขาก็คือทั้งชาวคัมภีร์ที่มาแตกกันทีหลังเนี่ยหรือว่าผู้ไปเสดสัทธาที่ว่าตอนแรกรอแล้วตอนดังนั้นไม่เอาเนี่ยเขาปฏิเสธอะไรครับอิสลาม ส, สั่งสิ่งที่ไม่ดีเหรออัลลอฮ์บอกอิสลามไม่ได้สั่งอะไรเลยอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งอะไรเลยทั้งจากคัมภีร์เก่าของเขาก็เหมือนกันคัมภีร์ใหม่ก็เหมือนกันไม่ได้สั่งอะไรเลยนอกจากให้ทําให้อัลลอฮ์รักแล้วพอใจในตัวเขาอย่างจริงใจ นี่คือความเรื่องงานของอิสลามครับอิสลามเน้นในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจคนที่ดีที่สุดคือคนที่สามารถทําให้อัลลอฮ์รักเขาได้แล้วผู้ที่อัลลอฮ์รักคือคนที่มีมารยาทดีที่สุดบนผืนแผ่นดินคือคนที่ทําดีที่สุดกับครอบครัวของเขาคือคนที่ว่าเขาให้ความสําคัญกับสิทธิคือคนที่เขารักษาเครือญาติถต่ว่ามันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีแหละสังคมไม่ชอบ เ, อเรื่องพวกนี้ย เพราะาบอกเนี่ยที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธไม่ได้มีอะไรเลยทั้งทั้งเรื่าที่อลอสสั่งในคัมภีร์กุรานเนี่ยหลกัหลกๆที่สั่งใช้หลกัหลกๆเลยสามอันมีสามอันนี้อันแรกก็คือทําตัวให้อลรักอย่างแท้จริงซึ่งการที่ทําตัวให้อลรักคือการต้องทําให้มนุษย์รักให้ได้ต้องเป็นคนดีในสายตาของมนุษย์ให้ได้ด้วยนี่คือสูงสุดความดีแล้วอย่างจริงใจก็คือเน้นความบริสุทธิ์ใจก็คือถ้าเป็นภาะิตยไทยเขาบอกเลยครับปิดท้องหลังพะต่อให้คนทั้งโลกไม่เห็นแต่เรามั่นใจว่าเร า, าเห็น เราดีพราะเราดีให้อัลลอฮ์เห็นเพราะฉะนั้นคนดีแบบนี้จะไปหลอกลวงใครไหมครับจะไปโกงเขาไหมเวลาจะค้าขายไม่โกงต่อให้เจ้าตัวไม่รู้เขาก็ถือว่าอัลลอฮ์นี้อัลลอฮ์บอกนี่แหละคือคุณลักษณะแรกของสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ในคมภีเรเล่มนี้ที่ถูกเรียกว่าเป็นคมพีซาตานคมพีแล้วก็ตามที่เขาจะด่าว่านะคำพีกุรานเนี่ยอันแรกให้อัลลอฮ์รักพอใจในพวกเขาอันที่สองครับฮูเนฟะ เป็นผู้คลองตนในแนวทางที่ดีงามของมัฟปานี้คือรวมกับอันแรกนั่นแหละการให้อัปลอรักก็คือต้องคลองตนในแนวทางที่ดีงามอันที่สองครับดํารงไว้ซึ่งการละหมาด ถ, ถามว่าการละหมาดไปทำร้ายใครสิ่งที่การละหมาดจะทำร้ายมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือชัยตอนเพราะมันไม่อยากให้เราละหมาดมันไม่อยากให้เราทําตัวให้อัปลอรักมันอยากให้เราลงนรกไปกับมัน ละหมาดไม่ดีตรงไหนคนที่ห้ามการละหมาดเขาใช้อะไรคิดว่าฉันน่ยต้องห้ามการละหมาดอันที่สามครับการละหมาดนี่คือระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์ระหว่างบาวกับพระเจ้าไม่ได้ไปโอวดหใครไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ว่าฝังอัลกุรอานปุ๊บอยากจะไปฆ่าใครไม่มีเลยมีใครละหมาดเยอะๆแล้วอยากฆ่าคนอยากทําร้ายคนไม่มี เพราะเราบอกในคุรานด้วยครับอินนัสลาตันฮานิฟาชัยบนมุงกัตใครก็ตามที่ไม่เข้าใจบอกให้เขารู้เลยว่าอัลลอฮ์ย้ำไว้ในกุรอานว่าการละหมาดจะห้ามปามจากความชั่วไลและสิ่งละโมกคนที่ไม่ได้ละหมาดนั่นแหละที่ว่าไปทําร้ายคนอื่นคนที่ไม่ละหมาดนั่นแหละที่มันไปโกงคนอื่นหรือละหมาดแบบไม่มีคุณภาพละหมาดแบบโอ้อวดละหมาดแบบปลอกกลวกละหมาดแบบมุนาฟิกคนที่ละหมาดในทุกเวลายกเว้น เวลาฟัชรี่กับอิชานบีบอกว่าสองเวลานี้หนักที่สุดสําหรับมูนาฟิกตอนเช้ากับตอนก่อนนอนส่วนเวลาละหมาดที่หนักที่สุดสําหรับทุกคนคือเวลาไหนครับอัสลีอัสลีนี่คือทั้งหมดเลยจะเป็นมุสลิมที่ดีมุสลิมไม่ดีอะไรเงรคือหนักที่สุดแล้วเพราะเป็นช่วงเวลาที่มันวุ่นวายสำหรับทุกคนแต่เฉพาะมูนาฟิกเลยนบีบอกว่าละหมาดเช้ากับละหมาดอิชาเพราะนั้นดูสองเวลานะชัดเจน ใครที่ไม่เคยละหมาดเช้าในเวลาเลยขอให้ดูว่าเรากําลังมีคุณลักษณะผมไม่ได้บอกเป็นมูนาฟิกนะเรากำลังมีมีคุณลักษณะของมูนาฟิกซึ่งมันอันตรายมากอันตรายมากเป็นสิ่งอันตรายจริงๆครับผมแล้วพระบอกว่าครับแล้วอัลลอฮ์ก็ได้สั่งใช้ให้บริจาคทานถามว่าทําไมปัจจุบนันรัฐบาลต้องจเจ้าเงินมาแจกเพราะต้องให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนไหวได้ไง ถูกไหมครับเศรษฐกิจนิ่เงเนี่ยสังคมมันถลม่มเดี๋ยวเราคุยกันต่อครับรับอาจารย์กัน อัลลอฮมะรับบะฮริบุตตดมสซัตุลไคยมาดีมุฮัมมัดมสซิตัมลฺฟาีลาบะบัตมะามัมมะฮมูนีนีัตเตฮฺรัดีตุลเลาะหซามียเออครับเดี๋ยวจะไม่จบสไ ร, รา์นี้เดี๋ยวขวดทำเวลาน่อนเองละครับผมโฟร์แล้วได้บอกไ้ว่าคุณในลักษณะที่พฟร์แล้วสั่งใช้หลักๆในคัมภีร์กุรานประการแรกก็คือมีความจริงใจเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจซึ่งใครๆก็รักใครๆก็ชอบถมว่าสิ่งที่เราต้องการจากคู่ครองไม่สุดคืออะไรก็ความจริงใจ คนเราทุกคนต้องการความจริงใจจากคนอื่นถึงแม้เราอาจจะไม่หยิ่งยิให้คนอื่นก็ตามแต่เราต้องการมันก็นี่คือสิ่งที่เราสั่งใช้แล้วก็สั่งใช้ให้ทําการละหมาด ก, ก็คือเป็นคนที่อยู่กับร่องกับปรินิสนาแล้วก็สั่งใช้ให้แคร์กับสังคมที่เราอยู่ด้วยไม่ใช่แค่ดีคนเดียวไม่ใช่เ่าปให้เราเนี่มีอาหารกินอิ่มมีพีมันแต่ว่าเพื่อนบ้านอยู่อย่างอดอยาก ก็คือเป็นศาสนาที่ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนอย่างที่เรารู้คือระบบดอกเบีย้ยเป็นระบบที่เพิ่มช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนอย่างที่เขาบอกว่าปัจจุบันนะครับทรัพย์สินของประเทศไทยร่วม 90% อซอยู่ในมือคนแค่กลุ่มเดียวกลุ่มเล็กๆกลุ่มเล็กๆที่ว่าไม่ถึง 3% ามเปซ็นตที่สัมที่เหลือมาเฉลี่ยกันในหมู่ของคนไทยอีกเก้าสกว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือระบบปลาใหญ่กินปลาน้อยเหมือนกับยุคอดีตไม่เหมือนเลยยุคใจริยก็เป็นเงาปลาใหญ่กินปลาน้อย เหมือนกันพอพูดเรื่องบริจาคจะมีการบริจาค ก, ก็ต่อเมื่อมีหน้ามีชื่อมีผลประโยชน์ได้ลดผ่อนดอกเบีย้ยเอ่อได้ได้ลดผ่อนกับภาษีหรือว่าอะไรก็ตามแต่เป็นแบบนั้นครับคนที่แคร์กันจริงๆต้องเป็นคนที่เดือดร้อนที่แท้จริงเขาถึงจะสามารถแคร์คนอื่นได้เพราะนั้นเนี่ยคือคําสอนของอิสลามแล้วถามว่าคุณเกลียดอะไรคุณเกลียดอะไรในอิสลามนี้เกลียดในการทัอิสลามมีคําสอนที่บอกว่าให้ค่ากับผู้ไปเสียสละให้ฟันมือให้ฟันคอไปกดตรงนั้นเหระ จากคําสอนอิสลามมีหกพันกว่าบทไปหยิบมาวักหนึ่งขารวดหกพันกว่าวักไปหยิบมาวักเดียวที่เป็นการพูดถึงการฆ่าให้ทรมานน้อยที่สุดมันคือความเมตตาแม้แต่สังหารยังมีความเมตตาถามว่ามีใครทําได้ถ้าโกดก็คือฆ่ามัาทรมานที่สุดอิสลามบอกว่าแม้แต่คุณจะเกลียดใครที่สุดถ้าจําเป็นต้องฆ่าอย่าให้เขาทรมานที่สุดแต่ก่อนจะฆ่าเนี่ยตักนิ้วก่อนเผื่อถ้าเกิดนิ้วหายไปปุ๊บเขาเจ็บปุ๊บ เขาจะเปลี่ยนใจเขาจะไม่สู้อิสลามมองขนาดนั้นคือไม่ใช่ว่าจะฆ่าปุ๊บก็ฆ่าเลยยังให้โอกาสอยู่เหมือนกับว่าท่านอาลีพอท่านจะทําสงครามพอท่านเจอคนปุ๊บท่านกําลังจะฆ่าเขาท่านโดนถมน้ําลายใส่ท่านอาลีไม่ฆ่าคนนั้นเลยหลังสงครามคนคนนั้นมาท่านอาลีเขารอดแล้วก็ไม่เข้าใจเขาติดค้างในใจคือเขารอดสงครามมาได้เขาก็ถามท่านอาลีว่าทำไมคุณถึงไม่ฆ่าฉันทั้งที่มีโอกาสท่านอาลีบอกว่าไงครับไอตอนแรกผมฆ่าคุณเพราะว่า คุณเป็นศัตรูของอิสลามคุณทําลายความยุติธรรมบนฝุ่นแผ่นดินคุณทําสิ่งที่ชั่วร้ายแต่พอคุณถ่มน้ําลายลดผมปุ๊บผมโกรธผมรู้ตัวว่าถ้าผมฆ่าคุณผมฆ่าคุณเพราะผมโกรธไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์แล้วท่านอาีก็เลยรู้ว่าการฆ่าแบบนี้มันผิดท่านเลยไม่ฆ่านี่คือคำสอนอิสลามแล้วเขาก็ไปหยิบมาเป็นประเด็นที่ว่าจใจสังคมเกียตดชังอิสลามเพื่ออะไรครับเราดูสโลว์บบนี้นะชัดเจนอัลลอฮ์บอกไว้พระองค์บอกว่าไงครับ เรอริกเดีหลุดก้ยีมานี่แหละคือศาสนาที่เที่ยงตรงครับสันเคนซ์าลามคือคำสัง่งใส่รูปแบบนี้มันไม่ได้ดำมืดมันไม่ใช่ไม่รู้อะไรเพียงแต่มุสลิมเราอยู่อย่างคนแปลกหน้าเฉยๆเพราะเราลุ่มหลงกับดุลยามากไม่ได้เพราะเรายิ่งลุ่มหลงเนี่ยเรายิ่งไม่อยากจากดุลยายิ่งเราลุ่มหลงกับมันมากเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งจะละทิ้งศาสนามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนต่างสาสบาทีเลยจะไม่เข้าใจว่าทําไมมันจะอยู่เข่งไปไหนนี่ทําไมมันอยู่เหมือนคนแปลกแยกแล้วอยู่แบบคน แปลกหน้านี่เป็นคำสอนของศาสนาเรานี่คือสิ่งที่มุสลิมเราเชื่อมัน่นครับอินละลีนะกัฟรูมินอาลิลกิตะเบลุมชริกีนะฟีนาริจาันะมะคารีนะฟีฮาอูุไลกะฮุมชารุลบารียะอ่าสำหรับท่านที่โลกสวยพวระองค์บอกในความชัดเจนบอกว่าชีวิตนี้อย่าโลกสวยทุกเรื่องพพราะนับเตือนสติครับเพราะว่าเรามีมุสลิมโลกสวยผมพูดตรงๆนะขอมาถ้าผมพูดแรง จะไม่ชอบอ่านอายะห์ที่พูดถึงการลงโทษบอกไม่สามโหดจังทําไมก็ล้อห่วงไงเอาล้อไม่อยากให้โดนไงเอาล้อไม่อยากให้เจอก็เลยเตือนไงคือถ้าโลกสวยแล้วทําเป็นมองไม่เห็นเหมือนคนที่เห็นเพื่อนโดนแกล้งแล้วทําเป็นมองไม่เห็นถือว่าดีเหรอมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเราดูในสุร้อนี้ครับพอเราบอกว่าไงครับแน่นอนผู้ไปเศษสะธาทั้งจากชาวคัมภีร์นี่คือรวมมุสลิมด้วยรู้จากคัมภีร์แล้วแต่ยังปฏิเสธอยู่ยังไม่ทำตามที่เราสั่งอยู่ ในรองผู้ไปเศษสัทธาทั้งจากชาวคัมภีร์และผู้ตั้งภาคีเขาจะต้องอยู่ในนรกพวกเขาจะอยู่พมนักในนั้นพวกเขาคือกลุ่มชนที่ชโวชาที่สุดคําว่าตลอดกาลในที่เราต้องทําความเข้าใจก่อนคอลีดีนฟะีแฮคำว่าคอดีดนเะนี่ยแปลว่าอยู่อย่างยาวนานจนเหมือนกับตลอดกาลแต่ไม่ใช่ตลอดกาลคือขนาดในยักกุรานที่อเลพูดถึงการที่ต้องลงนรก พ่อเลาะก็ยังมีการใช้สำนวนที่ว่าปอประโลมอยู่พอเราสังเกตดูยา่านี้พ่อเราะใช้คาว่าไงครับคอรีดีน่ฟี่แแต่พอพ่อเราพูดถึงการเข้าสวรรค์พ่อเราพูดว่าไงคอรีดีน่ฟี่แฮอาบาดาถ้าเราสังเกตดูนะอ้ย่านี้เลาะบอกว่าบรรดาผู้เป็นศรสทธาใช่ไหมจะต้องเข้าไปในนรกยาวนานมากในขณะที่ว่าคนที่เขาเป็นคนดีอเลาะบอกว่าไงครับผู้ที่ศรัทธาแล้วทําดีคือเป็นมุสลิมในเดียวไม่รอด ศรัทธาต้องทําดีเลยนะเป็นเงื่อนไขเลยนะถ้าไม่ทําไม่มีพฤติกรรมไม่มีประโยชน์อินนั่ละดีนะมานูอัลุสซาริฮะจีวิไลกับฮุมคอยรุนบาริยา <c oughs> หลังจากที่วกเราบอกว่าผู้ปฏิเสธศรัทธานะทั้งจากใครก็ตามถ้าปฏิเสธการที่จะเป็นบ่าตที่ดีของอัลลอฮ์จะต้องพำนักอยู่ในรกในระยะเวลาที่ยาวนานอูไลกับฮุมชารุนบาริยาเขาคือกลุ่มชนที่ชั่วร้ายที่สุดพวกเราบอกให้รู้เพราะมันชัดเจนไอ้ทมันชัดเจนไง ถ้าเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วอัลลอฮ์บอกให้รู้ชัดเจนเลยสําหรับพระองค์ละแล้วคนดีคือคนที่ว่าทําตามคําสั่งใช้ของพระองค์ซึ่งเป็นคําสั่งใช้ที่งดงามเพราะเราบอกแล ans, ้วชัดเจนสวยงามงดงามมีความยิติธรรมนี่แหละคือคนดีที่สุดไหมเราไม่ต้องไปรู้ว่าคนนั้นเขาช่วยหรือคนนั้นเขาเป็นคนดีไหมคนนี้เขาทานี้ดีไหมอัลลอฮ์บอกชัดเจนแล้วคนดีสําหรับอัลลอฮ์คือคนที่ศรัทธาต่อพระองค์ยิ่งขยันข้อแรกคือศรัทธาต่อพระองค์ถึงจะเป็นคนดีแล้วทําดี ูเลไอกาฮุมคอยนุนบาริยาเขาคือกลุ่มชนที่ดีที่สุดเพราะมุสลิมเรามีตาช่างชัดเจนอิสลามอยู่บนความชัดเจนไม่มีความคุมเครือกลุ่มคนที่ดีที่สุดศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งกลุ่มคนที่โชวร้ายที่สุดปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ชัดเจนไหมครับชัดเจนเหลือตัวเราเนี่ยจะทําให้ตัวชัดเจนหรือคุมเครือหรือเราจะเป็นมุสลิมแบบคุมเครือไปเรื่อยๆอันนี้คือตัวเราทําไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกั บ, ALL, กกบคําสอนเวลาการตอว่าไงครับ ถ้าเราสังเกต ด, ดูครับเมื่อพอระลอพูดถึงการลงโทษในไฟนโลกพระลอพูดแค่อายาเดียวแล้วก็สั้นด้วยแต่พอพูดถึงการตอบแทนในสวรรค์สําหรับคนที่ยอมหนิดเหนือ่อยอมอดทนในความเวลวร้ายของดุนยาพระลอพูดยาวกว่านั้นอัลลอฮ์พูดถึงสองอายาเลยนะเพราะฉนั้นส่วนนี้ไม่ได้ดูโหดร้ายเลยนะผมก็เรียกว่าสำหรับคนโลกสวยนี่แหละอัลลอฮ์ เ, เมตตาที่สุดแล้ว อัลลอฮ์เตืสติให้รู้ว่าการลงโทษของอัลลอฮ์มันรุนแรงแต่ความเมตตาของพระองค์นั้นมียิ่งใ ห, ใหญ่ยิ่งกว่าความการลงโทษของอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์บอกเลยครับแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาที่ทําสิ่งที่ดีงามพวกเขาคือกลุ่มชนที่ดีที่สุดผลตอบแทนของพวกเขาณนะที่ผู้วิบานของพวกเขาคือสวนสวรรค์หลากหลายสวรรค์ที่หลากหลายสวนที่หลากหลาย อันสถานพรที่อยู่ตลอดการณนะเบื้องแรกนั้นมีทาน้ําหลากหลายสายที่ว่าไหลผ่านพวกเขาจะได้อยู่ในนั้นตลอดการอันนี้คือล้อย้ำว่าคอรีเดียพ อ, อาบาดาอยู่ตลอดการจริงๆคือใครเข้าอยู่ในสวนตลอดการแต่คนที่อยู่ในไฟนรกระหว่างเขากับอัลลอฮ์พวกอัลเป็นหน้าที่ของพงที่บริตัดสินว่าใครจะอยู่ในนรกตลอดการไม่ตลอดการเป็นเรื่องของพงเราไม่เข้าใจเพียงแต่ที่พงอัลลรับรองกับพวกเราทุกคน ใครก็ตามที่เป็นชาวสวรรค์เราจะได้พำนักอยู่ในนั้นตลอดการแล้วสิ่งที่มีอยู่นาที่อัลลอ์นั้นรอดีอัลลอฮ์หูอันฮุมว่ารอดูอันเป็นสิ่งที่อัลลอ์ให้พวกเขาเพราะอัลลอ์พอใจพวกเขาคนรักกันเวลาให้กันนี่คือไม่มีกั๊กอยู่แล้วถูกไหมครับเหมือนกับถ้าเกิดเรารักใครมากๆชอบใครมากๆเขามาขออะไรเราทุ่มให้เต็มที่พวกรักก็บอกว่าสหรับชาวสวรรค์ยังไม่ได้อยู่แบบว่ารัก ติดใจอะไรนะในดุนยามันเคยด่าว่าฉันในดุนยามันเคยแกลบว่าสิ่งอนนอกจากฉันไม่มีติดใจพวกกันแไม่มีติดใจเลยเลยเราเดียวเราอันทุมสําหรับคนที่ได้เข้าสวรรค์แล้วอัลลอฮ์พอใจพวกเขาว่าเราดูอันทูมแล้วพวกเขาก็พอใจอัลลอฮ์ทำไมถึงพอใจอัลลอฮ์ครับพอใจในผลตอบแทนที่ได้มันเกินจินตนาการเราคิดถึงนิสสอดบ้านพักตาอากาศ อยู่ในทะเมทิวทัศนที่สวยสุดงนงามที่สุดมีทานน้ำไหลผ่านมีวิวที่มีทุกอย่างที่เราต้องการอยากได้อะไรมีหมดเกินจินตนาการใครบ้างจะไม่พอใจเพราะฉะนั้นครับรอดิลวล l a h ุ anhumu waradu an zalikaliman k h o s h i y a r a a พรกอัค์ละสรุปไว้ในองค์การอันสูงส่งของพวกงในสุรบัยนะีนะทั้งหมดทั้งปวงที่ว่ามาถ้าคุณอยากจะรู้ว่าการเป็นผู้ศรัทธา ที่ปฏิบัติความดีได้เป็นอย่างไรเอาล้อสรุปให้ฟังเอาล้อสรุปว่าไงครับสําหรับผู้ที่เขาเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นหากอยากจะวัดใจเราอะครับเรากลัวอัลลอฮ์แค่ไหนเป็นการเป็นมาตรวัดอ إ ي م านของพวกเราได้เลยถ้าเราอยากรู้พระเจ้แค่บอกว่าศรัทธาและปฏิบัติตามมันยังคุมเกลือ แต่พระองคเลาะให้เกณฑ์ในการวัดเกณฑ์ประเมินให้ทุกคนประเมินตัวเองนี่อย่างชัดเจนเลยถ้าอยากประเมินตัวเราเองว่าเราอยู่ในสถานะใดสําหรับอัลลอฮ์ให้เราดูว่าอัลลอฮ์อยู่ในสถานะใดในใจเราเหมือนกันพวกเราะว่าซาลิกันมันคอชียร์เราใช้คำว่าขอชียร์ไม่ใช่ไม่ได้ใชคำว่าตักว่าขอเชียร์คือกลัวกลัวหมายความว่าไงครับไม่ใช่กลัวแบบว่ากลัวผีนะคำว่าขอชียร์ คำ ว, ว่าคอฟ้าเนี่ยจะแปลเหมือนกับกลัวผีกลัวคนเมียแม่แต่คอชียาคือความกลัวที่ว่ามันเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่ทําพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใดจะใช้คำ ว, ว่าคอชียาอย่างเช่นทําไมคุณไม่ละหมาดเสียงดังฉันกลัวว่าฉันจะไปปลุกเขาจะใช้คําว่าคอชียาอย่างนี้เลยมันคอชียารบะ่าจะไม่ใช้คําว่าคอฟ้าเพราะคำว่าคอชีย่าที่เราใช้ในกุรานเนี่ย อัลลอฮ์บอกให้รู้ว่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงที่จะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนเขาคือคนที่ว่าเขาไม่กล้าทำสิ่งที่ชั่วร้ายทำสิ่งที่ฮารอมเพราะอะไรครับเพราะกลัวอลัลลอ์ถึงเวลาเขามีโอกาสทำซีนาไม่มีใครรู้เลยผู้หญิงมายื่นข้อเสนอไอ้ายไปกับน้องก่อนไอ้บอกว่าอะไรครับเฮากลัวอัลลอฮ์น้องบอกว่าไรอ้ยอย่ามาแงว จริงโดนมาแล้วครับมีคนโดนมาแล้วเราอยู่ในยุคแบบเนี้คือผู้หญิงมาทอดสะพานให้พอผู้ชายไม่รับปุ๊บอย่ามาแงา่บางทีด่าบางทีว่าบางทีใส่ร้ายบางทีทําร้ายแต่เหตุผลที่มุสลิมเราไม่ทำเพราะอะไรครับความเหรอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากรู้นะเอาไว้ตรวจสอบตัวเองตลอดชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะทําสิ่งที่ฮารอมแล้วยัยงแก้ทําอยู่ไม่มีคําว่าล็โบมากนั่นคือความอ่อนแอในใจของเรา นั่นคือ إيمان ที่ลดน้อยของเราครับเพราะฉะนั้นกระานนี้พวกเราได้ปิดท้ายอย่างงดงามนะครับผมทั้งสุรรัตน์บอกถึงสัจธรรมของมนุษย์พวกเราได้บอกถึงสัจธรรมของอิสลามแล้วพวกเรารอได้บอกถึงปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้มุสลิมนั้นตรวจสอบตัวเองได้ว่าเราอยู่ในตําแหน่งใดในใจของพวกเราครับก็ <ST. S 2> ขออุญาตจากเราครับให้เราเป็นกลุ่มชนที่ได้รับฟังธรรมนาโด้และได้ประโยชน์จากทางนําอย่างสูงสุดขอให้เราเป็นกลุ่มชนที่ครับเช่นเช่น ผ ม, ผมจะดูอะไ ร, รถถ น, นะครับผมเดี๋ยถึงว่าถามดีกนะครับข้อสรุปจากสุรดนี้ไหม ค, ครับผมอันนี้หมายถึงประเด็นไหนครับ น, น, น่าจะเป็นประเด็นที่ว่าคนที่ทำตัวรักพรุ่ ง, งนี้รู้การทกรรนะครับปชารัครับผมอันว่าปีระชมนะครับสุบานะรัลมาพิาแลนเกตตูเรามุล เป็นยังไงจ